คือถ้ารู้จักทุกอย่างเพียงพ อ, อความรู้อันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ที่แทงตลอดทุกขสัตว์นันะนะรอบรู้ในทุกขสัตว์ความรู้อันนั้นเนี่ยคู่ควรแก่กลางพ้นทุกข์ถ้าหากว่ารู้โดยชอบโดยถูกต้องรู้พร้อมทั้งเหตุและปัจจัยทีนี้ซึ่งธรรมชาติของทุกข่างหลายนั่นะนะนะทุกก็คุ้นเคยกันก็คือปีละนะใช่ไหมธรรมชาติที่เบียดเบียนสันตาปณะนะ ธรรมชาติที่เร่าร้อนสันตาปณะเร่าร้อนใช่ไหมปีลนะน่ะสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งและวิปรินามะมีความเปลี่ยนแปลงนี่ในบรรดาทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นอย่างเช่นทุกข์ที่โดยสภาวะก็แบ่งเป็นทุกขะทุกทุกคือความเจ็บปวดจริงๆอ่ะนะเจ็บกายเจ็บใจ อย่างที่สองก็อย่างที่สองสัง ข, งขวิปริณามทุกทุกเพราะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างที่3 ส, สังขารทุก์ทุกเพราะว่าไม่เที่ยงหรือว่าทุกเพราะมันถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่ในบรรดาทุกเหล่านั้นก็แบ่งออกเป็นทุกปกปิดกับทุกเปิดเผ ย, ยนะท่านบอกว่าความป่วยไข้าทางกายและจิต มีปวดหูปวดฟันความเร้าร้อนเกิดแต่ราคะความเร้าร้อนเกิดแต่โทสะเป็นต้นนี้ชื่อว่าปฏิจจชนะทุกข์เรียกว่าทุกข์ที่ปกปิดนะนะเช่นว่าความป่วยทางร่างกายของบางคนเนี่ยถ้าดูจากภายนอกเราไม่รู้เลยว่าเขาป่วยใช่ไหมความป่วยบางอย่างทางร่างกายนั้นถ้าไม่ถามไม่พูดคุยกันถ้าเขาไม่เล่าให้ฟังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาป่วย เช่นปวดหูเนี่ยนะอาการปวดหูเนี่ยหูมันกระดิกเลยไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ยากที่จะจะรู้ใช่ไหมหรือคนที่นั่งพับเพียบอยู่แล้วปวดเขา่ายงไงนะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้อะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเขาปวดอยู่หรือปวดฟันเนี่ยนะเว้นไว้แต่ปวดเอามากก็อันนี้ก็เปิดเผยละ่ะแต่ว่าถ้าธรรมดาปวดทั่วๆไปก็ไม่รู้ หรือราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเนี่ยนะบาปอากุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์ที่ปกปิดเนี่ยนะส่วนอภิติชนะทุกข์คือความป่วยไข้ที่เกิดจากการถูกลงโทษ32อย่างใครที่ถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยถูกตัดแขนตัดขาประสบอุบัติเหตุโดยประการต่างๆอันนี้รู้ก็รู้ๆกันใช่ไหมว่ามันเปิดเผย น, นะเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าเขาทุกข์แน่นอน ไม่ถามก็รู้ได้ทุกเหล่านี้จึงแบ่งออกเป็นสองอย่างนะทุกแบบปกปิดกับเปิดเผยบางคนนั้นก็มากไปด้วยความทุกข์ที่ปกปิดใช่ไหมบางคนนี่ก็มากด้วยทุกข์ที่เปิดเผยทุกที่ปกปิดนั้นคน ท, ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ค น, คนใกล้คิดใกล้ชิดกันจริงๆไม่ค่อยมีการูนาแต่ถ้าทุกเปิดเผยนเนี่ยก็ ห่างกันขนาดไหนถ้ารับรู้ก็ก็มีกรุณา น, นะความไม่สบายใจเนี่ยนะคนใกล้ใกล้ๆ ก, กันจริงๆนี่จึงจกักจักเห็นใจใช่ไหมคนไกลๆเขาก็เฉยๆมันก็สาสต์ทั้งหลายที่เกิดมาก็โดยมากก็ทุกทั้งสองประการเนี่ยนะทุกบางคนก็ทุกมากด้วยทุกปกปิดบางคนก็มากไปด้วยทุกเปิดเผย นี่มาดูทุกนี้ถ้าแบ่งแบบทุกตรงๆกับทุกโดยอ้อมปริยายะทุกข์ก็คือทุกโดยอ้อมมันนะถ้าเป็นทุกกระทุกก็คือทุกแบบตรงๆเลยทุกตรงๆก็คือความลําบากกายลําบากใจปวดเจ็บกายเจ็บใจเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าทุกแบบตรงๆที่เหลือก็เป็นทุกโดยอ้อมเนี่ยนะขณะที่อยู่ดีมีสุขก็นับว่าเป็นทุกเหมือนกันแต่เป็นทุกโดย อ้อเพราะในที่สุดก็ต้องเวียนกลับไปหาทุกโดยตรงอีกนั่นแหละอะยังไงทุกโดยตรงกับโดยอ้อมมันก็ใกล้ๆกันน่ะนะเพราะเมื่อใดที่ทุกโดยอ้อมอยู่ขณะนั้นทุกตรงๆก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยคิดว่าจะต้องวิ่งไปหาเจอไอ้ทุกตรงๆรงไหมก็ไม่ค่อยหลบพ้นนะนีเ้เรียกว่าเลี่ยงไปเลี่ยงมาเจออีกจนได้ก็อุตส่าห์บำบัดโดยวิธีการประการต่างๆแต่ก็เอาเอ า, เอาเรื่องจนได้นะ่นไ ก็รับทั้งทุกโดยตรงและทุกโดยอ้อมอันที่จริงทุกทั้งมวลที่กล่าวไปเนี่ยมันเป็นภาระของผู้ที่เกิดในขันเกิดในเกิดในวตะต้องรับรับทั้งทุกกระทุกรับทั้งวิปรินามาทุกรับทั้งสังขาราทุกรับทั้งอัปปติชนะทุกรับทั้งปฏิชนะทุกรับทั้งปริยายทุกขแล้วก็นิปริยายทุกขมันผู้ที่เกิดมาในโลกทุกคนเนี่ยแบ่ทุกอันนี้กัน เหมือนกันทุกคนเนี่ยนะทนี้ถ้าผู้มีบุญหน่อยก็น้อยหน่อยแต่ขณะเดียวกันถ้าหมดบุญอีกก่ก็เอาอีกละเนี่ยะมันก็วนๆอยู่อย่างนี้ทั้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยถ้าพิจารณาโดยทุกที่ทุกคนรับอยู่ก็น่าน่าการุณาเนี่ยนะซึ่งทุกเหล่านี้เนี่ยถึงจะรับใช้ทำไปบำรุงบำรเรอไปดูแลชั้นเยี่ยมหมดเลยบําบัดได้จริงนะมันก็ว่างเปล่า มันก็ว่างเปล่าจริงๆคือดูมันเหมือนจริงนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนมันมันมันว่างเปล่าจริงๆอย่างภาระหลายๆเรื่องที่เราเคยไปทำเคยไปแบกเคยไปหามเคยไปอะไรมานะ่นะตอนนั้นมันก็เหน็ดเหนื่อยจริงๆพอมาถึงตอนนี้มันก็ว่างเปล่าแม้แต่ภาระที่ที่ทุกคนรับอยู่ตอนนี้นหะนักหนาสาหัสสากันมากเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยอีกสิบปีผ่านไปนะ สิ่งนี้มันก็เป็นของเล่นไปอีกแล้วนะมันก็ว่างเปล่าไอ้ตอนรับมันรับจริงๆอะ่ะแต่พอพอผ่านไปแล้วมันมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเนนะท่านก็ดูว่าผู้ที่อยู่ในวัตตะเนี่ยถ้ามองในสายตาพระอริยะเนี่ยมันท่านจะว่าท่านข่ำท่านก็ข่ำอ่ะนะบอกงโง่จริงๆเลยแต่ทีนี้ท่านไม่ได้ใช้ศัพท์นี้หรอกท่านจะบอกว่าอาวิชชาอาวิชชาเพราะความไม่รู้เดี๋ยนะ จะใช้คำว่งงาง่าออกไปเลยก็หนักมากทีนี้มาดูนิเทศรายละเอียดของทุกนะถ้าดูบาลีเปรียบดูบาลีและอัตถกถาด้วยก็ดีดูหน้าสิบกัดหน้า25หควบคู่กันไปอย่างในหน้าสิบกล่าวว่าชาติเป็นฉไหนนะชาติคือความเกิดก็เป็นทุกเป็นฉนะไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดความเกิดจำเพาะ ความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมูสัตว์นั้นอันนี้เรียกว่าชาติเนี่ยนะคำว่าความเกิดความบังเกิดความหยั่งลงเกิดจำเพาะในหน้าสิบเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่แตกฉานภาษาบาลีเลยเขาจะรู้วันนี้เป็นคําพูดแบบสมมุติกรถาเนี่ยนะเป็นโวหารที่คุยกันรู้เรื่องเลยนะ ไม่ได้ต้องรายละเอียดอะไรมากมายแล้เวเลยเรียกว่าสมมุติกรทาแต่ถ้าคําว่าความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นนอันนี้เรียกว่าชาติคําว่าปรากฏแห่งขันได้อายตนะอันนี้เป็นประมัติกรทาเพราะว่าโดยประมัตมีแต่ขันมีแต่อายตนะใช่ไหมถ้าโดยบัญญัติก็หมู่สัตว์นั้นๆนะความเกิดของสตัตว์ความบังเกิดของสตัตว์ความหยางลงแห่งสตัตว์ความเกิดจำเพาะของสัตว์ทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นสมมติกรถาแต่ถ้าแยกแยะตามสภาวะจริงๆก็มีแต่ขันมีแต่อายตนะเท่านั้นเองนนะอ่าคือเราเรามากักจะได้ยินคำว่าพระวาสวะเช่น ภาวะบางหรือว่าเป็นพบบางนีน่นะฮเพราะว่าองค์ธรรมของพบได้แก่ปฏิสทนทีและกรรมชรูปใช่ไหมฮนะนี่จะตรงกับชาตุไหมครับภาวะเนี่ยโดยศัพบแปลว่ามีภาวะนะแปลว่ามีหรือแปลว่าเป็นก็ได้โดยโดยศับเฉยๆเนี่ยนะภาวะภาวะสับมาจากภูธาตุแปลในความมีความเป็นเนี่ย นนี้ก็ผัวเนี่ยแปลงตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์เนี่ยมีเป็นอันนี้ก็ใช้ได้กับหลายเรื่องหลายราวแล้วแต่ว่าตอนนั้นๆกำลังพูดอะไรเช่นคำว่ามีอะไรมีล่ะแม้กระทั่งในในอธิบายคาว่าชาติก็ใช้คำว่าภาวะเหมือนกันภาวะก็คือภาวะอันเดียวกันเช่นในหน้า27เนี่ยนะบทว่าปาตุพาโวเนี่ยความปรากฏก็คือความเกิดขึ้นนนะ หรือภาวะภเวตัวนั้นก็มีนะการเกิดขึ้นก่อนๆนในภพ น, น, นั้นเป็นลักษณะเนี่ยนะตถาตถาพเวย์เนี่ยปฐมาพินิพัติลักษคนาพนั้นคําว่าภพที่แปลว่าเกิดขึ้นหรือมีขึ้นเนี่ยแปลว่าเกิดแปลว่ามีเนี่ยก็ก็กคํานี้บางทีก็ชาติอธิบายถึงชาติแต่คําว่ามีเนี่ยมันมันมีแบบอะไรมีแบบตอนปฏิสนธิการหรือมีแบบตอนประวัติการท้าชาติตรงนี้เน้นไปที่ ปฏิสนธิการเน้นตอนตอนเกิดเป็นประมาณตอนเกิดทางชาวบ้านกับทางธรรมานี้แยกกันคนละอย่างกันตอนเกิดแบบชาวบ้านทั่วๆไปเลิกยามเขาถือตามหมอดูเป็นเกณฑ์ใช่ไหมหมอดูถือเอาตอนคลอดเป็นหลักเนี่ยนะไหมคุมูบรรจุเขาถือเอาตอนคลอดใช่ไหมแต่ว่าทางธรรมเนี่ชาติถือเอาตอนปฏิสนธิที่เป็นหลักนะอย่างลงสู่คันเป็นครั้งแรกเป็นหลัก นั้นถ้าพระจะทํายาให้สัตว์ตายเนี่ยนะคือถ้าทําให้คันตกเนี่ยประราชิกเลยมีค่าเท่ากับค่าคนตายเนี่ยนะเท่ากันเลยก็ถือตั้งแต่ขณะปฏิสนธิอย่างลงเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์แล้วเพนั้นถ้าเจตนาฆ่ามีเมื่อไหร่ก็ทาําปาณาติบาสมามาตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะนั้นคําว่าชาติที่เรียกว่าความเกิด ความบังเกิดความยั่งลงความเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อตนะครบในหมูสัตว์ น, นั้นอันนี้เรียกว่าชาติ น, นนะ่ซึ่งอธิบายว่าบรรดาทุกขาริยัตว์นั้นพึงทราบคำว่าชาติเป็นต้นก่อนก็บรรฑิตพึงทราบชาติด้วยสา ม, มารถแห่งบทภาชนีน่วาตัถากตมาชาติยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตัมหิมหสัตตานิกาเยชาตินั่นเนงะ ในทุกขาริยศาสตร์นั้นชาติเป็นชนิดความเกิดความเกิดพร้อมเป็นต้นในหมู่สัตว์นั้นนของสัตว์นั้นนั้นอันใดเป็นต้นอันนี้เรียกว่าชาตินะอธิบายว่าของสัตว์นั้นๆใครอะของสัตว์นั้นนั้นก็ของคุณนงของคุณนภาภของอัตมาของผููการนี่แหละของหมู่สัตว์นั้นนะั้นอะนะที่เกิดมากันนั่นแหละอันนี้แสดงถึงความทั่วไปแก่สัตว์ไม่ใช่น้อยแต่อันนี้เราพูดแบบย่อนะทุกคนก็ ผ่านการเกิดมาหมดใช่ไหมทุกคนก็ได้รับการเกิดมาอยู่แล้วถ้าไม่เกิดมาก็ไม่เป็นอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นคำว่าเกิดในที่นี้ก็คือทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าหากจะมากล่าวว่าเออความเกิดของเทวทัศน์ความเกิดของโสมทัพนอย่างเงี้ยเทศอยู่ทั้งวันทั้งปีทั้ง1ิบปีก็ไม่มีไม่มีจบะนะถ้าอ่านประวัติคนที่เกิดเกิดทั้งหลายแลน่นี่มีจบไหม ประเทศไทยก็หกสิบกว่าล้านเนี่ก็ไม่จบแล้วประเทศจีนพันกว่าล้านเนี่ยนะอเมริกาสามร้อยกว่าล้านอินเดียพันกว่าล้านก็โอ้ไม่ต้องไม่ต้องจบกันแล้วนะทำมาอ่านประวัติเพราะฉะนั้นว่าไทยรู้ว่าทุกคนนี่ผ่านการเกิดมาไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะแม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็ก็เกิดเพราะฉะนั้นด้วยบทนี้สัตว์บางชนิดย่อมไม่เป็นอันกําหนดถือเอาย่อมไม่สําเร็จการแสดงในสัตว์อื่นๆก็หาไม่ได้แปลว่า สัตว์ทุกชนิดผ่านการเกิดมาหมดเมั น, นนะคำว่าเกิดของหมูสัตว์นั้นนั้นเท่ากับเป็นคําพูดที่แสดงทุกหนทุกแห่งทุกพบทุกโทมในการเกิดขึ้นครั้งแรกในพบนั้นๆจึงตรัสว่ายาเตสังเตสังสับตานังของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นอะันใดเนี่ยนะก็ข้าที่เรียกว่าความเกิดนะนะชาติสัว์นี้ก็ไม่ไม่อ่านนะนะนนก็ทุกคนก็ดูเอา ส่วนที่น่าคิดนะในย่อหน้าล่างๆว่าแต่สับว่าชาติในในที่นี้นะหมายถึงการเกิดขึ้นของขันในครั้งแรกพร้อมทั้งวิการพร้อมทั้งความเสียหายนะหมายความว่าพอเกิดก็เริ่มเสียหายขึ้นมาแล้ววิการก็แปลว่าเสียหายใช่ไหมก็พอเกิดความเกิดอย่างลงก็ความเสียหายก็เริ่มเอาไหมถ้าเกิดแล้วอยู่เท่านั้นตลอดไปนะไม่มีการวิการเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะเขาไม่ให้อยู่ในขันหรอกเขา กำจัดออกแต่ว่าอันนี้ก็เนื่องจากว่าพอเกิดลังปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มวิการคือการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าชาตินี้ในอาการนี้จึงปรากฏรูปเฉพาะตนโดยสภาวะว่าความเกิดของสารทั้งหลายผู้กําลังเกิดนะบทนี้เพิ่มอุปสรรคว่าสันชาติด้วยอํานาจความเกิดพร้อมเชื่อว่าโอกกันติด้วยอํานาจความหยางลงทั้งเกิดด้วยทั้งหยางลงด้วย คำว่าชาติด้วยอาจว่าการเกิดชาตินั้นประกอบไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งสัตว์ผู้มีอายตนะบกพร่องตอนเกิดทั้งแรกนะถ้าเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยบกพร่องนะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นนะนะไม่มีส่วนคําว่าสันชาติเพราะอาจว่าเกิดพร้อมสันชาตินั้นประกอบไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งสัตว์ผู้มีอายตนะสมบูรณ์เชื่อว่าโอกการติด้วยอาจว่าอย่างลง อกกันตินั้นประกอบด้วยอนานาจสัตว์ผู้เกิดในไข่และก็เกิดในคันเพราะสัตว์เหล่านั้นย่อมยังลงสู่ฟองไข่และมดลูกก็เมื่อยังลงย่อมถือปฏิสนธิดุจสัตว์ผู้เข้าไปสู่นะเพระเาะฉะนั้นเข้าไปอยู่นะอาจารย์ับนโอกกันตินี่ก็พวกเกิดในคันกับเกิดในไข่วันนี้เนี่ยลงมาเดินมันมีมดแดงอยู่รังหนึ่งรังน่าจะรังใหญ่โขเหมือนกัน ไม่รู้อะไรไปเขย่าต้นไม้นี่มันตกมาทั้งฟองเลยเป็นฟองมดแดงอ่ะนะฟองละประมาณกําหนึ่งอยู่สองกําไอแม่มดแดงนี่มันมาอุ้มไว้เลยเนาะมาคลุมมาไว้เลยอ่ะเพราะเดี๋ยวพวกมดดํามันจะเข้าไปกินเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนที่เป็นไข่หลุดออกไปเนี่ยมดดข้าบออกไปเพราะฉะนั้นกองทัพมดแดงก็จะมายืนยืนอยู่บนไข่มดแดงนี่แหละเพื่อคลุมไม่ให้สัตว์อื่นๆนี่เอา เอาไข่มดแดงไปนะก็คิดดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายก็ ห, ว ง, ห, กหวงแหนลูกหวงแหนหลานเหมือนกันนะท่านะก็ห่วงแหนสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปแต่นั่นก็คือการการเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะเมื่อก็นนะกึกดูนะแม้กระทั่งเข้าเกิดในไข่เข้าทุกข์ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในไข่เลยนะก็คิดดูว่าไข่มดแดงมันตกมาสักสามสี่เม็ดเนี่ยมันมันเจ็บไหมนะจําได้ไข่ตัวหนึ่งนะไข่ตัวหนึ่งไข่ฟองนึงอนะ มันอยู่บนน้บนพื้นพื้นกับเบื้องหน้าหนาวนะมันกระดึ๊บกระดึ๊บมันเองเลยอ่ะแสดงว่ามันคงหนาวมากนะนะมันคงคงเจ็บปวดมากเลยแหละมันจึงปกติไข่ก็ไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่ใช่ไ้มไอไข่ตัวนี้มันยอมกระดึ๊บกระดึ๊บตัวขึ้นเลยอ่ะมันมันไม่ใช่หนอนมันเป็นไข่ที่มีลักษณะคล้ายๆหนอนแต่ปกติมันจะอยู่นิ่งมันก็นึกถึงโอ้โหความเจ็บปวดคงมีมากแล้วก็ถ้าเป็นไข่นกไข่อะไรตกจากที่สูงก็แตกใช่ ไข่มดแดงเนี่ยมันตกมาตกเป็นกองมามันไม่แตกะนะแต่ก็คงโหเกิดมาไม่รู้เป็นมดพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาตินี้นะแต่ไม่รู้ว่าอาคืนนี้อาจพวกสัตว์อื่นอาจจะเอาไปกินหมดก็ได้นะไข่เรานั้นะนะอาจจะเริ่มจุติปฏิสนธิไปเรื่อยแล้วล่ะนะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าชื่นชื่อว่าการเกิดแล้วก็ยังไม่พ้นไปจากกองทุกข์ใช่ไหมทีนี้ เกี่ยวกับเรื่องชาติถ้ากล่าวแบบประมัทกรถาเนี่ยนะประมัทกรถาก็คือถ้าเป็นอสัญญาศาสตร์ก็เป็นเอกโวโการะภพใช่ไหมอรูปประพรมก็เป็นจตุโวโกระภพล่างลงมากว่านั้นก็เป็นตัญจโวการะภพเนี่ยนะซึ่งชาตินั้นถ้าโดยลัคนาที่จตุกะบอกว่ามีการเกิดขึ้นกาเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นนั้นเป็นลักษณะ มีการมอบให้เป็นกิจมอบอะไรมอบภาระให้เป็นกิจนะหลังจากนี้ไปแกคือนักโทษนะต้องไปเลี้ยงดูนะอนน ต, ตอนแรกดีใจมากเลยใช่ไหมที่แหมเขาเนอกว่าเขาพระราชทานให้ที่ไหนได้ให้อาสรพิษมาเลี้ยงดีๆนี่แหละก็บอกว่ามีความวิจิตซึ่งทุกข์ด้วยอำนาจผลเป็นปจัจจุอาการปรากฏเพราะฉะนั้นผลของการเกิดก็คือ ภาระที่ที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะคิดดูนะว่ามนุษย์ทั้งหมดหกพันกะล้านเนี่ยมันรับภาระขนาดไหนใช่ไหมแบกภาระกันขนาดไหนแล้วหมู่อบายทั้งหลายมันรับภาระขนาดไหนมันก่อนเนี่ยโหตกใจระโยงว่าเอาไข่ปลาไปคื อ, ค, อคือไข่ไข่มันเป็นก้อนๆใช่ไหมสงสัยตัวหนึ่งเนี่ยมันให้ไข่กี่ฟองนะปลาเนี่ยนะแล้วในนั้นมีสัตว์ทั้งหมดนะนะลองนึกดูมันแต่นั้นก็ยังไม่มากอนะนะยังยังอื่นมากกว่านั้นอีก แต่นี่พูดถึงว่าไข่ปลาเนี่ย<ม>ก็ทุกฟองมันมีชีวิตหมด อ, ะมอนน่ะนะทุกฟองมันเคยมีชีวิตหมดอะ่ะนึกนึ ก, นกเราพ้นจากไข่ปลาหรือยังเนาะ<ม> <c oughs> นี่คุณตีมาเรียนแทนคุณบุญมีแล้ะนี่ก็ดูว่าคำว่าเกิดเนี่ยนะเราเรียนแบบอภิธรรมเลยนะคำว่าเกิดเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในภพเนี่ย ขณะที่เกิดขึ้นครั้งแรกเธอว่ามีกี่รูปเอาเอามนุษย์ก่อนนะเอามนุษย์แต่ถ้าโดยกำเนิดเนี่ยโดยกำเนิดนี่มีสกํกำเนิดใช่ไหมหนึ่งเกิดในคันสองเกิดในไข่สามเท่าใครแล้วก็สอบปาติกะนี่นะอบปาติกะ ทีท่ีพวกที่เกิดในคันพวกเกิดในคันมีใครบ้างเช่นมนุษย์เดรชานเปรตบางพวกเนี่ยนะพวกเกิดในไข่เดรชานมนุษย์บางพวกเกิดในเท่าใครสกปรกเนี่ยนะของเชิญแฉะก็คือเดรชานมนุษย์บางพวกมนุษย์บางพวกเกิดในเท่าใครด้วยเนี่ยนะนะแต่ในคัมภีร์ท่านจะยกลูกของนางปฐุมวดี โลกนางปฐุมวดีก็คืออดีตชาติของนางอุบลวรรณนานางอุบลวรรณนานั้นเป็นอัคราเมหสีของพระเจ้าพารนศีนีไเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ตั้งคันตั้งคันนั้นได้ลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งตอนที่คลอดออกมาแล้วไอ้น้ำแฉะแะอันนั้นเนี่ยทารกอาศายัยตรงนั้นเกิดห้าร้อยเนี่ย น, นะท่า น, นก็เลยว่าเด็กทารอสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ย น, นะอันนั้นเรียกว่าผลเกิดเท่าใคร แต่ว่าทั้งหมดนั้นตอนหลังก็บรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าหมดแต่ทีนี้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อนะเพราะเหตุการณ์อันนี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดการมันมีอยู่แค่ครั้งคราวเท่านั้นเอง น, น, นานๆจึงจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งบางทีกห็หลายพันล้านปีเนี่ยนะเหตุการณ์อันนี้จึงจะมีครั้งหนึ่งมันแทบเป็นอภโรหาริกจนคนธรรมดาไม่อยากจะเชื่อเนี่ยนะแต่จริงๆในคัมภีร์ก็ ก, กล่าวเอาไว้ ในพวกที่เกิดในคันเนี่ยนะเราก็มาดูพวกมนุษย์หรือเกิดในไข่ครั้งแรกที่เกิดในคันนั้นถือโดยรวมๆและต้องมีกี่รูปก่อนสามรูปโดยตัวรูปนะรูปก็คือกายะทะัศกะภาวะทัศกะหัตยะทัศกะมันมีบางกลุ่มเกิดมาไรภาวะเลย น, นะนะก็มีแต่กายะทัศกะกับ ภาวะอาขอไปห ะ, ะทะยัศสกเกิดมาไรเพศตั้งกระอ้นแต่ออกเลยนะพวกนี้รูปมีการเป็นสมุทฐานพวกนี้อนาคตทางธรรมะนะเรียกว่าเป็นพวกนับปุงสกลิงพวกไม่มีเพศ น, นนะอนาคตต่อไปเรียกว่านับปุง สกลิงพวกไม่มีเพศอนาคตนะส่วนพวกที่มีกายะภาวะหัทยะอยพวกนี้ก็มีนามนามเกิดร่วมด้วยใช่ไหมนามคือปฏิสนธิจิตหนึ่งนะต่อไปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขณะตอนเกิดนั้น ที่จะเกิดได้เนี่ยขันห้าต้องประชุมกันต้องมีทั้งห้าขันเลยต้อมีทั้งรูปทั้งนามโอกกันติคะเนนามะรูปัปงอัญญามัญยังอัญญมัญย์ปัจเจเนะปัจโยเนี่ยในปฏิสนธิการเนี่ยนะทั้งทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดพร้อมกันปฏิสนธิหาทะยะกับปฏิสนธินามเนี่ยเป็นอัญญามัญยะปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นคือต้องการอธิบายว่า ทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะปฏิสนธิอย่างลงส่วนปฏิสนธิจิตอันนี้เนี่ยนะหลังจากนั้นดับไปก็เรียกอะไรเรียกพวังใช่ไ้มวังดวงที่หนึ่งเรียกปฐมผวังเป็นต้นเนี่ยนะทุติยภพวังเป็นต้นตอนหลังก็ขึ้นสู่วิถีก็วิถีแรกที่ก็เกิดมาก็ยึดติดไอจิตนเนี่ยรักภพรักชาติมากที่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็ค่อยทุกต่อไปอันนี้ในกลุ่มจิตก็จะเป็นไปอย่างนี้จนกว่าวัตถุรูปจะมีกําลังเมื่อวัตถุรูปมีกําลังส่วนหนึ่งนะมโนทวาราวัชนะจะเกิดขึ้นชาวนะจิตจึงจะเกิดเนี่ยนะชาวนะจิตจึงจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นตถาหรือผวังต่อไปก็สุดแท้แต่จิตตนิยามนะในในวิธีการของจิตนั้นๆ ทีนี้ในส่วนของรูปนั้นรูปเหล่านี้เนี่ยก็รับอาหารจากมารดาใช่ไหมรับอาหารจากมารดารูปเหล่านี้ก็เจริญขึ้นโดยลำดับเมื่อมีการเจริญขึ้นโดยลำดับพอไปอยู่ในระดับระดับหนึ่งกรรมก็จำแนกทาให้จักขุทสกะเนี่ยเกิดขึ้นนะโสตะคือหูเนี่ยเกิดขึ้นคานะเกิดขึ้นแล้วก็ เชีวหาเนี่ยเกิดขึ้นก็จะเป็นกรรมมชรูปได้กี่กลุ่มนะแล้วทุกทุกอันเนี่ยนี้ก็มีชีวิตตรูปอีกต่างหากเนี่ยนะก็มี 1. น, นะกายะทัศกะ 2. ภาวะทัศกะ 3. หัตยะทะัศกะ 4. จักครูทัศกะ 5. โสตะทัศกะ 6. คานะทัศกะ 7. ชีวหาทัศกะแล้วก็ชีวิตณวกะ ถ้ากลุ่มชีวิตที่รักษาเอาไว้นะพวกนี้มีแต่คือประกาศถึงความเป็นสิ่งมีชีวิตะ น, น, นะถ้าถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่มีเนี่ยกรรมมชรูปอื่นๆเช่นกายเป็นต้นก็ได้แต่มีชีวิตอยู่ในนั้นมีชีวิตติทซีรักษาหล่อเลี้ยงเอาไว้แต่สําหรับบางคนเนี่ยจกักขูหไม่มีใช่ไหม บางคนไม่มีหูบางคนไม่มีจมูกบางคนไม่มีลิ้นแต่ก็มีชีวิตรักษาอยู่สัตว์ที่ไม่มีตาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าอายุอยู่ในคันซะส่วนใหญ่คลอดมาก็ตายเลยเรียกว่าเกิดมาเด็กไม่มีหัวนะถ้าเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับสูตินารีเวทเนี่ยนะ มันจะมีหนังสือประเภทแบบนี้ออกมาเห็นสภาพของทารกที่อยู่ในครันสารพัดวิธีนะสารพัดชนิดไม่น่าเชื่อว่านั่นคือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะแทบไม่อยากเชื่อเลยน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์กบหรือเขียดหรืออะไรที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่น่าจะใช่มนุษย์แต่ก็แต่ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่เกิดมานะจะได้กรรมชรูปเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์หายากมากอนะนะแต่ก็ อันนี้เราเกล่าวถึงเฉพาะกรร ม, มชรูปอาหารชรูปนี้ก็เริ่มรับตั้งแต่อะไรมันดาก็เริ่มอยู่ในคันมันดาก็รับอาหารชรูปมาโดยตลอดแล้วก็ตั้งแต่ภวังคจิตนี้ก็ทําจิตตชรูปแล้วนะจิตเหล่านี้ทําจิตตชรูปหมดพวันร่างกายก็จเจริญเติบโตด้วยกรร ม, มชรูปอาหารชรูปอุตุชรูปเออขออภยัยจิตตชรูป ทีนี้ไอ้กรรมชรูปเนี่ยแปลไปเป็นอุตุชรูปอาหารชรูปเนี่ยแปลไปเป็นอุตุชรูปจิตตะชรูปแปลไปเป็นอุตุชรูปเพราะฉนั้นอุตุชรูปแปลไปเป็นอุตุชรูปอีกครั้งหนึ่งนะในร่างกายมันจึงมีอุตุอยู่สีประเภทด้วยกันนะมีชื่อว่าถ้ามาจากเช่นกายเนี่ยแปลไปเป็นอุตุนะเขาเรียกว่ากรรมมะปัจจยะ อุตุชโูปเนี่ยนะถ้ารูปที่เกิดจากจิตแปรไปเป็นรูปอีกทีเรียกว่าจิตตะปัจจยะอุตุชรูปเนี่ยนะถ้ามาจากอาหารเนี่ยนะมาจากอาหารก็เรียกว่าอาหารปัจจยะอุตุชรูปเนี่ยนะแล้ว ไอ้พวกอุตุเหล่านี้นะในที่สุดมันก็แปลสภาพไปเป็นอุตุอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าอุตุปัจจยะอุตุชรูป น, นะนะอุตุปัจจยะอุตุชรูปหลันทางธรรมะนั้นจะถือรูปเนี่ยมีสีสมุธฐานหลักๆคือกรรมมชรูปหนึ่งใช่ตัวกรรมมชรูปนี้เอาอะไรเป็นเกณฑ์บอกว่าที่มีชีวิตตินสีหล่อเลี้ยงอยู่อันนั่นเป็นอันนั้นเป็นกรรมมชรูป ส่วนจิตตชรูปในในที่นั้นก็อาศัยรูปเหล่านี้เกิดแต่ว่าไม่มีชีวิตอยู่ร่วมด้วยในนั้นนะก็มีชีวิตจิตตชรูปแล้วก็มีอาหารชรูปนะนะแล้วก็ยังมีอุตุชรูปอุตุชรูปก็มาจากปัจจัยต่างๆแล้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างนี้โดยโดยลําดับนะนะซึ่งการเจริญเติบโตนี้ก็นับเนื่องตั้งแต่อยู่ในคันใช ทีนี้เราให้ความสำคัญตอนปฏิสนธิที่เป็นหลักเรียกว่าชาติเนี่ยนะเรียกว่าชาติคือการเกิดขึ้นหลังจากนั้นขันเมื่อเกิดขึ้นแล้วอายตนะทั้งหลายก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาโดยโดยลำดับเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าชาติชาติคือความเกิ ด, าากดคืออาหารชัรูปนี่นะ8ดรูปเนี่ย มาจากมารดานะฮะส่วนอุตุก็น่าจะมาจากมารดาส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าอุตุของมารดาเนี่ยก็จะมาหล่อเลี้ยงตัวกะละอันนี้กะละอันนี้อันนั้นเป็นอุตุอะไรครับก็อุตุภายนอกเป็นปัจจัยให้หนะคือโดยทั่วๆไปนั้นทางธรรมะให้ให้ความสำคัญกับอุตุข้างในเป็นเป็นหลักคือเอาเอาประเด็นนี้มาพูดเป็น เป็นส่วนใหญ่อะนะมันอุตุภายนอกไม่ค่อยเอามาแสดงเท่าไหร่อุตุภายนอกโดยทั่วๆไปจะแสดงใน ล, ลักษณะมีผลต่อจิตใจมากกว่าอย่างเช่นอากาศตอนนี้นะอากาศตอนนี้ข้างนอกตัวเราเนี่ยมีผลต่อร่างกายเราไหมโดยรวมๆเลมีมากหรือมีน้อยมีต่อร่างกายหรือมีต่อจิตใจกันแน่อะไรจำไว้น้น อากาศรอบๆตัวเรานะมีผลต่อร่างกายหรือจิตใจเป็นส่วนใหญ่ทางธรรมะให้ความสำคัญว่าไออุณภูมิรอบตัวเนี่ยนะให้ผลต่อจิตเป็นหลัก น, นะแต่ถ้าเปต่ออุตูเนี่ยนะก็อยู่ข้างในเมื่อจะเรียกแบบแบบอะไรแบบกว้างขวางเลยก็ได้พูดแบบชิ่งหน่อยนะอุตูภายนอกมีความสำคัญต่อจิตจิตอันนี้มีผลต่อ ตแต่มันก็มีกลุ่มอุตุชรูปที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วถ้าอาศัยอุตุภายนอกร่างกายกระตุ้นเข้าไปมันก็จะมีผลไป